ต่างทำต่ออีกเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ไม่เก้อเขินมันมีสูตรในการกระทำไม่ว่าอะไรมีหลักสูตรทั้งนั้น ต้องเป็นไปตามสูตรที่จะจบสำเร็จได้ในช่วงทึศในช่วงข้อบัญษานี้ให้โอกาสได้ทำศึกษาปฏิบัติได้เต็มที่มาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาปฏิบัติไม่ต้องไปไหนใช้ชีวิตเพื่อการนี้โดยตรงจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราอาศัยธรรมบินัยเป็นขอบเขตเพื่อปกตนสอนตนแล้วการศึกษาก็มีสูตร ดังที่เราได้ษาธยายพศในอริมรกมั้ก็ครบวงจรในการแำเนินชีวิตที่ไปสู่มรรคผลไม่ต้องสมหะในสูตรนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ชีวิตของเราที่กายที่ใจนี้ปฏิบั ต, ติโตกายต่อใจ มันก็มีทางไปเนี่ยว่าอริยมรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็อยู่ในกายในใจนี้สัมมาสังกัปปะควรนับดีชอบก็อยู่ในกายในใจนี้สัมมาว่าจาสัมมาอาชีวาสัมมากรรมันตาสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกายในใจนี้ เอามาปฏิบัติตามตามแล้วก็จบอย่างที่ตอนที่จบสมาสมาธิเข้าถึงอะไรบ้างผ่านตรงไหนมีแต่สติแล้วแต่อยู่เพราะมี วางละสุขละทุกข์เสียด้ยมีสติแล้วแล้อยู่นี่เข้าสู่บักสู่ผลอันอื่นก็ผ่านมาหมดแล้วกานชิ่ชอบผู้ชอบทำงานย่อผ่านมาหมดแล้วแล้วก็รวมลงอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็อยู่ที่กายที่ใจเราหนี้ไม่จะอยู่ที่อื่น เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติต้อมจะทำให้เกิดขึ้นมาได้ในชีวิตของเรานี่นี่เรียว่าสูตรของการเดินชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางมงกุฎ ธ, ธรรมสุดยอดเป็นสมบัติของพวกเราจบ กานเรียนสูตรอะไรมาก็เรียนตามสูตรก็จบนากรรมหัตกรรมชินปะกรรมกิจาปัจเจกกรรมใครได้สำเร็จไม่มีผิดถ้าศึกษาตามสูตรแม่แต่สูตรกันกับรถ ขับโรกขับเกวียนขับเครื่องบินขับรถไฟขับเรือดำน้าอะไรต่างๆก็มีสูตรเันตนตามสูตรก็ทำได้ไปถึงจุดบายลายทางนั่นใจคนขับเครื่องบินก็มั่นใจคนขับรถไฟก็มั่นใจคนขับรถจย์ก็มั่นใจคนขับเรือก็มั่นใจทํานาน นี่ชีวิตของเราแท้ๆอ น, นั้นมันเป็นอันอื่นเขายังมั่นใจรับช่างขับมากเขาก็มั่นใจชีวิตของเรามันอยู่ในนี้อยู่กับเราอยู่ในกำมือเราเราควรที่ขับให้มันตรงวิธีหัดขับก็นี่แหละกรรมฐานกรรมฐานนี่หัดขับได้ ในกายในใจจบที่นี่มันมีอะไรเกิดกับกายมันมีอะไรเกิดกับจิตใจก็มีสติเขาไปดูไปเห็นอะไรที่ไม่ใช่สติเปลี่ยนมันเป็นสติมันจึงไปสู่ทิศสู่ทาง <c oughs> มันมีอย <c oughs> ่น้อยก็ต้องมีหลงมีรู้บอกให้หัน ตามมันหลงก็บอกให้หัดให้รู้ซะรู้จุกตัวซะหลงไปเทานไหนปันจจัยที่เกิดความหลงท่าหูจมูกดิ้นกายใจรู้ลดจิ่นเสียงแม้มันไม่มากแต่ก็มีสติอันเดียวเข้าไปเฉลยให้รู้จุกตัววิชากรรมฐานก็มีหายใจเข้าหายโยกให้อยู่ตรงนี้เคลื่อนไหวให้อยู่ตรงนี้ ต้งทับไม่เหมือนกับ เ, เตรียมพร้อมไม่มีสติอยู่เป็นประจํากายเยกาสอนุปัสสิมหลลติมีสติไปในกายอยู่เป็นประจําคือเตรียมพร้อมหัดให้เหมือนอยู่ในกายอะไรที่มันเกิดขึ้นล้วก็จะเห็นนี่เรียกว่าสูตรหัดขับเคลื่อนชีวิตของเรา ไอ้สู่จุดหม้ปลายาทางเรียกว่ากรรมฐานมันจะบอกทั้งหมดอะไรผิดอะไรถูกเกิดจากกายเกิดจากกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาเป็นธรรมจะเลยได้ทั้งหมดไม่มีสิ่งได้ที่กักขังเป็นดาน ในกายนี้กักไ้ได้ในเวทนาก็กักไ้ได้ในจิตก็กักไ้ได้ในธรรมก็กักไ้ได้ไม่หลงสีดานนี้ไม่หลงในสีดานนี้ก็ไปลด้เห็นแล้วว่านะถ้าปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าดำเนินอยู่ในองค์มรรคมีสติมันก็ละความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติจิตมันก็บริสุทธ เป็นวงจรไปทั้งหมดบพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็เพราะเรื่องนี้ในการเพนเดืินหกนั่งอยู่ตน้นฉีผหาโพกู่แขนเข้ารู้สึกตัวเหยี่อแขนหกรู้จึกตัวทำอจากนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยเป็นนิมิต มีกายเอากายไปเป็นหมดศึกษามาเป็นนิมิตให้มันเกะอยู่กาเห็นเวทนาเห็นสุกันทุกเกิดขึ้นเห็นจิตที่มันเกิดอะไรขึ้นมาคิดถึงเิีมพมปาราหุนก็กลับมาอยู่ที่นี่คิดถึงอะไรที่มันไปตามความคิดมันเคยคิดมันเคยสุกมันเคยทุกข์มันเคยไปทางนั้นแล้วก็กลับมา อยู่ที่การหายใจเข้าหรือกๆเข้าเหยืออกยาวๆนเข้าออกยาวๆนอกมันหลงที่ใดมาลู่ที่นี้มันสุขที่ใดมาลู่ที่นี้มันทุกข์ที่ใดมาลู่ที่นี้อดี๋ยให้สุขเป็นสุขจใจทุกข์เป็นทุกข์จใจหลงอยาให้อะไรเป็นอะไรไปให้มาเป็นตัวรู้เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เรียกว่าปฏิบัติแล้วก็จากช้อนนี้ชํานาญที่แล้วก็หัด ต่อไปไม่ได้หัดมันเป็นเองหลงาพบอความรู้ได้ประโยชน์แต่ก่อนหลงเป็นหลงไม่ได้ประโยชน์เลยมีแต่ทุกแต่โทษว่าห ล, ลงก็เป็นรู้ซะ ห, หัดไปหัดไปเหียงคืนเดียวเขาไม่แยกผายจัดเกณฑ์แม่นยำมั่นใจ มันใจในการกระทำอย่างนี้เลยว่ากรร ม, มาฐานเป็นที่ตั้งของการกระทำกรร ม, มาฐานนี้จะจำแนกไปเองไม่ต้องไปคิดเหตนเหตุผลเหตุผลศิทธาศึกษาบาบาจบมาต้อง17เจ็ดศาสตร์มันใช่ไหมได้ต้องมาฝึกจากนี้เรียกว่าศาสตร์ศาสตร์ของชีวิต ไม่เชียวส่อตอนอื่นมาเอาเหตุเอาผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมใครก็รู้เหตุผลว่าความทุกข์ไม่ดีความโกรธไม่ดีมัก็ตอบได้ทุกคนแต่ว่ารู้อยู่ก็ทําไม่ได้ยังหลงยังโกรธยังทุกข์นั่นหมาใช่ความรู้มันเป็นการกระทําเกิดจากการกระทํา เวลามันหลงเปลี่ยนรู้นเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้ต้องหา้าวเวลามันทุกรู้มันต้องไปแก้มันทุกกันเน่ะเวลามันโกรตรู้เวลามันมีอะไรก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้โอ้อย่างนี้ไปก่อนหัดไปก่อนหัดไปก่อนอย่าเพิ่งไปประเมินอะไรที่ได้ไม่ได้มันผิดก็รู้เอาไปเลยมันถูกก็รู้เอาไปเลยผ่านไปก่อน มันสงบก็ลู่ผ่านไปก่อนมันทุ่งซ่านก็ลู่ผ่านไปก่อนมันเบื่อก็ลู่ผ่านไปก่อนมันขยันก็ลู่มันง่วงก็ลู่อะไรที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราฝึกจนตัวนี้ให้ตัวลูกยืนหยัดเป็นที่ตั้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนมันจะง่วงามตรงที่มัน ไม่ใช่ความรู้ถ้ามันผิดมาลู่ความรู้จึงงามตรงนั้นแต่ว่าที่รู้ไม่ใช่งามตรงที่มันไม่มีอะไรแล้วก็เราศึกษาตรงไหนที่มันผิดลู่ตรงนั้นเห้แยกขาดมันจึงจะสําเร็จการศึกษาแยกคําผิดเป็นนั้นจึงจะจบนี่ว สอบผ่านถ้าผิดยังไม่ผ่านก็เรียกว่าตกเรียนซ้อมชั้นอีกในการศึกษาชีวิตเราก็เช่นกันนะตรงที่เหมือนผิดถือว่าเป็นการถ้าเป็นเป็นภาวะที่ผิดเป็นรูเนี่ยทุกเป็นรู่สุขเป็นรู่หลงเป็นรู่อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจมาเป็นภาวะที่รู่ เรียกว่าโศผ่านไม่มีอะไรที่จะให้เป็นอื่นไปอาชันนิจฉนานเป็นปาริน ญ, ญาฉันนานในการรู้เรียกว่ายาตะปริญญาชํานานในการละเรียกว่าชํนานาญในการละเรียกว่าปหาณปริญญาฉํานานในการแ ก, ก่แ ก, ก่เรียกว่า ติลัคนะปริญญานี่คือนี่คือรูกนี่คือหลงมันหลงก็คือหลงมันโกดก็คือโกดมันทุกข์ก็คือทกข์มันไปใช่ความรู้ามหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องติลัคนะปริญญาภาวนามยะปริญญาก็โกดไม่ถูกต้องความไม่โกดถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้อง แล้วก็สัมผัสตูเป็นการสัมผัสไม่ใช่ความคิดนึกสัมผัส ด, ด้วยการกระทําเองบุคคลที่ได้สัมผัสระหว่างหลงระหว่างไม่หลงเราจะตอบได้เลือกได้ในชีวิตที่เลือกได้ถ้าจะมีบุญก็มีบุญตรงนี้ถ้าจะมีวาสนาก็มีวาสนาตรงนี้ถ้าจะเป็น บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่เปืเป้อนเปื้อนถ้าทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงมันเปืเป้อนเปื้อนถ้าหลงเป็นรูปทุกข์เป็นรูปโกรธเป็นรูปนี่บริสุทธิ์เรียกว่าประพฤติปมวจรรันทร์ต้องจะนุกผ้าสีใดอยู่ในฐานะแบบไหนถ้าใช้ชีวิตแบบนี้เรียกว่าประพฤติปมัจันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะ สัมผัส ด, ด้วยตนเองไม่มีคาถามหลงไปยังไงรู้เป็นยังไงเลือกได้ไม่มีใครเลือกหลงไม่มีใครเลือกเอาความทุกข์ไม่มีใครเลือกเอาปัญหามีแต่ปัญญามันก็จบจบตรงที่มันหลงเป็นรู้ถ้าถึงภาวะที่รู้ ก, ก็สุดยอดแล้วจากรูก้ สติธรรมดาเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลสตินี้พาให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลได้เป็นนิพพานได้อย่างที่เราสาทธิยายประสโสนในอริมรรคมีสติแล้วแลยอยู่มีสติแล้วแลยอยู่ละอะไรได้หมดแล้วผ่านมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าปาดินิพพานที่ตรงนี้พระอรหันต์ปาินิพพานที่ตรงนี้ แต่ได้นิพพานก่อนนู้นยังไม่ตายเจ้าเจ้าได้นิพพานแต่ยังไ ม, ยงไม่ยังมีชีวิตอยู่มันมีได้มันก็ตอนปริ่มพานก็มีนิพพ า, านนี่แล้วมันใช่แปลริ่นิพพานคือตายรินิพพานคือมันหลงไ่หลงทุกไปทุกมันหมดไปอย่างนี้เด็ดขาดจากนี้ แล้วก็จบไปอย่างนี้เราห ล, ลงีจสะสงไข่หลงเราทุกข์จีะสงไขทุกข์เราโกรธใจสะสมไขโกรธมันไม่นผ่านมันไม่หยุดมันไม่หมดปฏิบัติคือเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกตามได้ทุกคนมั่นใจกวาขับช่างขับมา้ามั่นใจกวาขับรถขับเรือมั่นใจกวบ พัตรกรรมสินลปากรรมงันอยู่ในชืดตของเราไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรไปส่วนประกรอบช่างก่อสร้างเขาใช้ตะปูใช้ไม้มาติมาตีให้ติดกันเขายังนั่นใจ ร่างตึกสูงสูงก็อาศัยสถาปัดเหตุใจเพียงพอเราก็มั่นใจอันนี้ชีวิตเราอยู่กับเราแท้ๆมันยิ่งมั่นใจเราจะไม่เป็นอะไรกับบาไลมันมั่นใจที่สุดตรงนี้มากจะไม่เป็นอะไรกับบาไลที่มันเกิดกับกายกับใจ เราจะมีแต่สติเราจะเห็นแต่จไม่เป็นไปกับมันนี่มั่นใจที่สุดตรงนี้ร้อยพันเปอร์เซ็นนะอะไรจะเกิดกับปา่ากับใจเกิดมาเราจะไม่เป็นไปกับมันเราเจะเห็นมันเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องมันเจ็บก็จะเห็นมันเจ็บไม่ได้เจ็บเพราะความเก็บลองดูซิงันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะความทุกข์ ทำได้ตรงนี้ไม่ใช่ทุกเป็นทุกเหมือนพระที่เจ้าได้เห็นเห็นทุกเป็นการเห็นอันประเสริฐเห็นเห็นนี่กิดทุกเป็นการเห็นอันประเสริฐเห็นวิธีการดับทุกเก็ดับทุกได้มันเป็นอันประเสริฐและวิธีการก็าลู่โลกคอบนี่คือเห็นมีแต่เห็น เมื่อได้เข้าไปเป็นกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเพราะมีสติเห็นตัต่นต้ น, ตนมีหลงมีรู้ได้เห็นนักเต่ภาวานาขั้งแรกท้าพระเจ้าก่อนที่เกิดขึก็ เ, เห็นเนี่ยกูฉันก็รู้สึกเดี๋ยวฉชนออกรู้สึกออกไปคิดพิมพ์มาเราเห็นความคิดมันคิดไปนน่นกลับมารู้ รจอที่เแรกเลยเดียวตัวภาวะที่หลงภาวะที่รู้มาให้ศึกษาด้วยตัวเองสอได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจัดตังเองมาไรที่มาเกิดขึ้นมาลู่เองใช่ได้ใช่ได้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปความหลงร้อยครั้งลู่ร้อยครั้งความทุกข์ร้อยครั้งลู่ร้อยครั้งลู่เท่าลู่ทันอย่างนี้ นี่ก็มาตรฐานมาตรฐากันอย่างนี้ไม่ใช่ปลอยเวลามันขี้เกียจก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นเวลามันขยันก็เห็นเวลาทําความเปี่ยนอย่าให้ความขยันพาทำอย่าให้ความขเกียดพาหยุดให้มีสติเท่านั้นให้มันจัดเกณฑดีๆบางทีเราไม่ ไม่ทันกับมันอาการาต่างๆไม่ทันกับอาการาต่างๆเพราะโลกอยู่เช่นนั้นถ้าเห็นจริงๆเน่ยไม่ไม่นอนเนชะ่นความมุ่งเนี่ยให้เห็นจริงๆเถอะความทุกข์เนี่ยก็เห็นจริงๆเถอะถ้าเป็นความทุ ก, กข์เนี่ยเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่เป็นกรอบเป็นหยับหยับก็เห็นจริงนะเหมือนกับเปลือกกล้วยเหมือนก็เปลือ ก, อย ก, อกอยโย ก, โยก เป็นเปลือกไม่ใช่เกศมันง่ายนะมันไม่มันไม่ยากแล้วถ้าเห็นจริงจนะเห็นทุกข์หนึ่งบางอย่างมันหลนไปเลยไม่ได้ไปทํากับมันเละเล่นชูบุรีหลนไปเลยถ้าเห็นทุกข์จริงๆนะที่เป็นเป็นเหตุไปโนกไม่เป็นอนุสัยไม่เป็น สกอาติิไม่เป็นอัตตาอันทุกอย่างนี้เหมือนทุกจรจรอาันรตุกกะได้ เ, เห็ น, นเป็นเจ้าถิน่นราวาที่เห็นเป็นเจ้าถิน่นแม้แต่ความเกิดความโลภความหลงเป็นอาคารตุกะมาใหม่เจ้าถิ่นจริงๆคือรวาวะที่ไม่เป็นอะไรมีสติ ตุกตอบทักท้วงได้เต็มความสิทธิใช้สิทธิได้ยเยี่ยมตรงนี้นะดูดีๆแล้วมันง่ายนะทำดีๆแล้วก็เห็นมันลงมันก็ความยิ้มชื่นใจยิ่งเห็นมันทุกมันจิ่งชื่นใจไม่ได้น้าบูดน่าเบื่อหนะทูกที่เห็นทุกจริงๆเดี๋ยวมันทุกเห็นทุกเนี่ มักจะมีรยยิ้มอยู่ตรงนั้นด้วยนะมันชื่นใจไม่ใช่เห็นอันอื่นเห็นรูปเห็นสว ย, สวยงามๆนั้นมาใช้เห็นความชั่วที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่มันยิม้มแย้มใจมันสดชื่นมันรู้มันตื่นมันรู้มันตื่นตื่นรู้ตรงนี้เป็นพุท ธ, ธะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะมันเปลี่ยนเศร้าโศกเป็นความตื่น รูขึ้นมาเนี่ยมันก็รอบครอบได้เหมนบอกเราความผิดนั้นบอกเราความถูกมันบอกเราความสุขความทุกข์เหมืนบอกเรา <c oughs> ได้บทเรียนจากจิตล่านี้ปฏิบัติทำรรนะ่ะโตกันเจริญไปเลยไม่ใช่หัดอนุบานอะไรตโตขึ้นมาทันทีเลยใหญ่ทันทีเลยเนะ่ยมีสติเนี่ย มีสิทธิได้เต็มที่ร้อยเปเทันทีเลยเม่จะเราให้ชัดเจนแม่นยำให้แยบคลายมิสติปัญกาแบบอิสระไม่ใช่กดกึงไม่ใช่อยากรู้อย่าเห็นอย่าให้อะไรมาครอบงำบงังอยู่ข้างบางับงเบื้องหลังเรา่อยมีทศรัทธาเราจะทำอย่างนี้ตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ พระเจ้าทำอย่างนี้แล้วก็ทำตามอย่างนี้คิดถึงพิมพาพระเจ้ากลับมาคิดถึงเราหุนกลับมาคิดถึงปราสาตรรุดูกลับมาย่อมคิดถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตของพระสธตตระตางกันกับพวกเราไามระษาตรรุดูเป็นเจ้าว่าชายจะขนาดไหน เรานี่ก็แค่นี้ยังยังเหนียวแต่สติที่อยู่กับพระจิ ธ, ธัฐสมัยสองพันห้าร้ย้า้าปีกับเดี๋ยวนี้กับอยู่กับเราอันเดียวกันไม่ใช่คนละยากอันเดียวกันเลยสาคนแหงธรรมในช่วงข้อวัญษานี้เรางชาชีวิตจริงๆเราดูสามเดือนนี้ไม่น้อยนะ ถ้ามีสติโตเนื่องเห็นอย่าไปสงบนั่งสงบปฏิบัติธรรมอันทีไปอยากให้มันสง บ, สงบเวลามาันคิดไม่อยากให้มันคิดไม่ใช่ยิ่งมันคิดยิ่งรู้ได้ความรู้ได้ปัญญาเพราะมันคิดคิดลงไปมันมักจะคิดอ่ะเวลาเราปฏิบัติธรรมมักจะความคิดมักจะไหลอลง ม, มามากที่สุดนั่นแหละ จะได้ศึกษามันถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ธรรมด า, ามันไม่มันไม่ดิน้นมันเคยอยู่ในนี้ถ้าเราไปทำมันเหมือนกับมันกับปลาที่มันถูกดองถูกอะไรก็ต้องดิน้นถ้าไม่มีอะไรถูกมันก็ไม่ดิน้นกมันอยู่นอนเนืองอยู่ในในที่นั่น เมื่อสติมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องดิ้นอะไรที่ไม่ใช่สติมันจะแต่งออกมาเกิดอาญานุปจนมาเห็นเวทนานุปจนมาเห็นสุขกับทุกข์เกิดขึ้นมาเห็นเวทนาเห็นกิจที่มันจะดิ้นไปอีกมันคิดขึ้นมาแต่ความไม่มีสติมันไม่รู้จะเห็นมันคิดอะไรอ๋อีสติก็คิดก็คิดมากเมือ่อคิดขึ้นมาก็มีธรรม เป็นอาการหนักตางความง่วงงงหัวนอนความละเละชงัยความคิดฟุ่งเฟือเกิดขึ้นนั่นคือธรรมบางทีความสงบบางทีก็มีปิติก็มีเหมือนกันอย่าหลงมันท่านนั้นละ่ะรู้ผ่านตลอดภาวะที่รู้นี่มันผ่านตลอดอ่า เป็นแต่ก็มันก็หยุดแล้วถ้าสุข ก, ก็ติดสุกถ้าสงบก็ติดสงบมันก็ไม่ผาดเห็นมันสงบแต่มันสุขมันคนเดินทางคนเดินทางก็เมื่อยล้าธรรมดาแต่เวลาพักมันก็สบายธรรมดาแต่มันไปไม่ถึงถ้ามาันสุขก็สุขอยู่ที่นั่นถ้ามาันสงบก็สงบอยู่ที่นั่น มันยังไม่ไปอีกการเดินน่ก็คือรู้เรื่อยๆคือเดินรู้ไปเรื่อย เ, อยเวลานี้เรากำลัลงเดินจะไปอาศัยหยุดหนาะความสุขพักผ่อนมันก็ไม่ถึงหรอกเอาไปมาก็อาจจะ ด, ด้านนะเดินก็ต้องเดินรู้อยู่ไปเสมอความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าอยู่ที่รูปแบบ ถ้ามันชำนี้ชำนานหรอกอะไรก็รู้ได้เอาตรงที่มันผิดอะไรู้ถ้ามันไม่มีอะไรก็รูไ้ไปสปาปกติตารรดาถ้าเวลาอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นมาก็รู้ทันทีเอามาใช่หรอใช่ได้แล้ววันเพราะเรามีแล้วก็มีใช่ฉั้นเรามีเงินเวลาจําตนก็ใช้เงินแล้วไม่มีเม่อไม่ได้ใช้ แต่มาหาตอนเล่นก็ไม่เพียงพอที่ใช้ได้เหมือนคนที่เกียจคิข้า น, นงเงินชื้่อข้าวจินก็ไม่อิม่มสติควมรู้จักตัวที่เรามีอยู่นี่มันไม่เพียงพอถ้ามันมีน้อยถ้ามีมากก็พลังแห่งสติเป็นยานเป็นฌานเป็นไปมุดหลุดง่ายยานคืออย่างลูก ฌานคือขนส่งมันหลงเรียกว่าจังลูกเห็นหลงเป็นยานทัศนะพ้นจากความหลงเป็นย่าเป็นยานขนส่งเป็นมีมุดเป็นมักเป็นผลผล้นบ่มันมาเพื่อ ห, หลุดพ้นจิตที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้คาบร่วงได้ กรรมฐ า, านมันเป็นยานขนส่งในกิจปัญญาของเราไม่ให้จมอยู่กับจึงใดจึงหนึ่งเหนือโลกนะฝึกตนสอนตอนขนส่งตัวเองอย่าให้มันอยู่ที่เก่ามันเป็นใหม่แ้หลง ไดยอดความไม่หลงต่อยอดใหม่ความทุกข์ได้ยอดในความไม่ทุกข์ได้ยอดใหม่เรียกว่าชีวิตใหม่เป็นพรหมจัร์พรหมจัรเกิดจากลักษณะแบบนี้หลงได้รู้ประพฤติพรหมจัร์ทุกข์ได้รู้ประพฤติพรหมจั ร, ร์อะไรที่มันทําให้ ไห่ถูกให้มันถูกกับพืชปวงวันจัน์พ้อทั้งอัฏฐพ้อมทั้งพายันชนะมีการกระทำมีการเห็นแย้งตอบได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังยูในการกระทำของเราเองแท้ๆมันก็มั่นใจกวรทำอย่างอื่นชาวนาอาศัยน้อมผล อาศัยเนื่อนาอาศัยขุยอาศัยอะไรต่างๆมากมายแต่พวกเราเนี่ยพุทธภาวะไม่อาศัยภายนอกเลยเพียงพอแล้วในชีวิตของเราเนี่ยพอนแล้วมีสติไม่ต้องไปยืมมาจากไหนไม่อยู่ในตัวเราเนี่แล้วกายก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วขอบคุณกายที่มันมีอะไรขอบคุณใจที่มีอะไรให้เราได้เห็นมัน ในกายในใจมันมีอะไรบ้างมีความไม่เที่ยงเห็นแล้วมีความไม่ทุกข์ก็เห็นแล้วมีความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วจนถึงมิตรความแก่ความเจ็บความตายก็รู้แล้วเกี่ยวกับจริงตัวนี้ถูกต้องแล้วถ้าเราไม่เห็นก็จํจำนวนสรภาพต่อจริงที่เกิดขึ้นต้จึิงใดเนี่ย ในความไม่เที่ยงเกิดขึ้นรัฐภาคจากคงลักคงชอ บ, อบอจอใจก็เป็นทุกข์เสียบุญเสียจอยในความเจ็บก็เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์อยากเอาเป็นวาทุกข์เป็นเมืองหน้าคอยรับกรรมไปกบล่าสู้กรรมไปเมื่อเราจะพ้นจากกรรม มีบุญว่าชนะซะว่าชนาบุญก็คือเนี่ยหลงเป็นลูกมีว่าชนาละแต่งเอาแต่งเอางามกว่าเก่าถ้าหลงเป็นลูกโกดเป็นลูกงามขึ้นมาว่ า, วาชนาบารมีเมื่อมีว่าชนาบารมีก็โภพปาละคือพอร้มพร้มเต็มโลภขึ้นมาจำนานมากขึ้น มันแข่งกันได้คุณวาชนาบาลมีเนี่ยเราไปเข้าใจว่าแข่งขันกันไม่ได้ไม่ใช่ละแข่งขันกันได้มัน่นาจตอลองก็ได้โ อ, อ้เพื่อนหลงเราไม่หลงเพื่อนทุกเราไม่ทุกสิ่งที่เราทุกคนอื่นก็มาทุกผู้มีวาจนาะ สิ่งที่เราหลงคนอื่นเราไม่หลงบางทีเราก็เห็นเพื่อนหลงเราไม่หลงสิ่งที่เพื่อนหลงบางทีเห็นที่เพื่อนทุกในสิ่งที่เพื่อนทุกเราไม่เราไม่เอามาเป็นตัวทุกนี่มันก็ต่างกันอย่างนี้ผู้มีบุญว่าชนะก็เห็นกันมันก็ลนลัทธนาทางจิตเวีญนานแม้แต่คำพูดแสดงถึงความหลงของเพื่อนแสดงออกมาเราก็รู้ จิตที่เพื่อนพูดเนี่ยไล่สาระแล้วก็เปรียบเทียบได้เลือกได้เหมือนคนมีความรู้คนไม่มีความรู้เพราเมื่ถามอดความรู้นั้นยังถามยังเฉลยได้อยู่แต่นี่มันไม่มีคําถามใครของใครของมันเนื่นแต่เราจะดูแต่ตัวเองให้มันดีการเรียนวิชาการตืน่นอาจจะถามกันได้ แต่การเรียนในทางกิจวิญญาณนถามกันไม่มีคำไม่มีคำถามมีแต่คํำตอบตอบเองด้วยช่อมใบไม่มีใครมาตอบให้เราได้นี่คือชัดจธรรมชัดจธรรมไม่มีคําถามมีแต่คํำตอบไม่ใช่สมมุติบัญญัติความหลงเป็นสมมุติความไม่หลงเป็นประมตทสัจจริงกว่ากัน ความทุกข์เป็นสมมติปัญญัตควมไม่ทุกข์เป็นปรมาจัจะจริงกัวกันในปรมัติในสมมติมีปรมัติอยู่ในชีวิตของเรานี่ความไม่จริงความจริงมีอยู่ในที่นั่นแล้วเลือกได้มียาดมีสติเป็นทัศนะที่เห็นเห็นแจ้ง เรืนี้เรื่าวิปัสนาเกิดจากการกระทำเกิดจากการมาถามวิปัสนาเนี่เกิดจกรรมม า, ากจการกรร ม, มฐานเป็นเบื้องต้นขึ้นเรามาทำอยู่เนี่ยเห็นใจเห็นเวตตาเห็นขีดเห็นธรรมจนเห็นรูปเห็นนามเป็นอการต่างที่เกิดขึ้นกับรูปนามมันบอกฉัคนควรไปเที่ยงควรเป็นทุกข์ไม่ใช่ทั่วตน เห็นขันหะตามความเป็นจริงมันนั่นจึงเข้าสู่วิปัสสนาต่างเก่าองุันภาวะเดิมต่างจริงจริงแต่ก่อนทุกเป็นทุกบันนี้เมื่อเกิดวิปัสสนาละทุกมันเป็นไม่ทุกจึงมาลู้แจง้งไม่หลงตรงที่มันหลงไม่ผิดตรงที่มันผิดไม่ทุกตรงที่มันทุก เรีววิปัสนาเป็นกระแสเข้าสู่พระนิพพานได้เห็นกระแสแล้วผู้เข้าถึงวิปัสสัาญาณเห็นกระแสพระนิพพานไม่จนต่อความโกรธความโลภความหลงความทุกข์เป็นที่กระโดดด้วยจาไปเรืมทุกข์ทำให้เราก็โดดได้ดีกว่าธรรมชาติตื่นเต้นมากอ่อยมาก แต่ความคิดที่มันเกิดขึ้นนี่อ้ยความคิดไม่ใช่ไปโกรธแล้วจึงจะ อ, อันความโกรธมันเกิดจากความคิดเกิดจากความหลงเมื่อกระโดดไปตรงนี้เลยถ่าถอยได้เม้่อเขาสูวิปัสสนาแนละ้วไม่ตกต่นะําแล้วเกิดจากกรรมฐานกรรมฐานคือทําเนี่ยมีสติปัญญาอยู่เป็นประจา ม, มีกรรมฐาน เห่นกายเกายไม่ใช่สัตุคุณตัวตนเราเขากาลังจะมีสูตรขึ้นมาไม่การศึกษามีตัวเฉลยมีโจทย์ถ้าทุกเป็นโจทย์ถ้าเราทุกเป็นทุก็เป็นจําเลยของความทุกทุกเป็นโจทย์ถ้าเราเป็นทุกก็เป็นจําเลยขอ่มทุกหลงเป็นหลงก็เป็นจาเลยข่มหลง พอเห็นอย่างนี้ขึ้นมาพิพากษาหลุดออกได้ในทุกไม่เป็นจำเลยความทุกในทุกเราไมีอิสระในความทุกไในต้องทุกถ้มันทุกนะอิสระขึ้นมาปทาธิี่ปไตยขึ้นมาทำมาที่ปไตยขึ้นมามีความเป็นธรรมให้กับตัวเองไม่เปลียบบ่ยนตนเอง แต่ก่อนนี้ไม่มีความเป็นธรรเลยไม่มีใครดูแลกายใจปล่อยให้กายใจเป็นทุกข์พอเห็นขึ้นมาสงสารสงสา ร, รงสงขสารกายใจเดียสงสารมากที่สุดจนน้าตาซึมนะไม่เคยรู้ไม่เคยช่วยตัวเองเลยไอ้แ ต, แตคิดก็คิดจุนทั้งนั้นคิดแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ความคิดเดียว ไม่มีหุดนทอไม่มีวิธีไหนที่หยุดความคิดได้สมัยก่อนจนทุกความคิดเนี่ยน้าตาซึมเทุกความคิดก็มีเกิดความโกรธขุกความคิดเกิดความลักทุกความคิดเกิดความเกียดชังทุกความเียดจนแล้วก็จับพัวเรามาเห็นหล้วอ๋อไอ้ตัวเหตุมันตัวเหตุมันคือความคิดที่มันคิดก็คือมันหลง โมลงมาจึงหลงไปในความคิดจึงพอดีมีกายเห็นกายอยู่ประจำเห็นเวทนาเห็นกิิจอยู่เป็นประจำเห็นธรรมอยู่เป็นประจำมันก็เป็นตัวที่ประกอบกันทันทีเลยกรรมฐานนี่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมั่นใจมากน ะ, อะเอาเถอะพวกเราสอนเดือนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต่อไปทำมันอยู่กับเรานั่นแล้ว อยู่ในกายในใจเรานี่แล้วเริ่มต้นแต่วันนี้ก็ฝันฝ่ า, านับตั้งแต่วันแรกหนึ่งห้ามไปายอยามลำดับลำนาชีวิตของตนให้ดีอย่าทำให้การเดือดร้อนให้โอกาสต่อกันเป็นชีวิตล้อมให้เจอกันและกันเป็นเพื่อนกันให้ได้อยู่ใกล้กันก็ดูแลกันบ้าง บางทีเพื่อเราก็ดูแลกันไปทั่วถึงเราอยู่กันจำนวนมากบริเวณก็กว้างใหญ่กถือก็อยู่ห่างไกลกันดูแลกันบ้างเพื่อนกันบ้างกันระยามิตรกันบ้างเดินยังกลมเห็นกันบ้างยิ้มให้กันน้อยๆกายันให้กันดูใจเกียรติกานสร้างชีวิตรอบให้ดีทุกทุกส่วนทงอาหารก็มีนั่าใจได้บุญ เราเราก็นเนื้อนาบุญผู้ให้ก็มีบุญผู้ผู้รับผูดได้บุญเป็นเนื้อนาบุญกันให้ได้ดูเนื้อนาบุญดีคือปฏิบัตดิดีเนื้อนาดีปฏิบั ต, ติตรงปฏิบัติโอกจากทุกปฏิบัติสมควรอนุตลังปุญงเขตตั้งโลกาชาติตัณหเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีอนิสงส์ทั้งสองฝ่ผู้ให้ก็มีอนิสงส์ผู้รับก็มีอนิสงส์ผู้ให้เรียบว่าปฏิทายกผู้ให้เรียกว่าทายกผู้รับเรียกวปฏิคาหทั้งสองส่วนเป็นมหาอนิสงส์ใหญ่เกิดขึ้นที่นี้ได้มีน้ำใจทั้งสองฝ่ายอย่าเกียจค้านผู้ปฏิคาห ทำอะไรให้เรียบร้อยอย่าไปที่น้าหลังเกียดเอาเสอยทำไปแต่หนชัดเจนการนุ่งหุ่มผ้าการเดินการพูดจาเจียมารยาทหัดตนสอนตนให้ฝึกอยู่เสมอเหมือนกับอย่าทาไปเหมือนกับน้ำเครึ่องแก้วอยู่เสมอให้เป็นห้องอยู่ในเรานี่เสมอเติมมานั่นบ้างเติมมานี่บ้างในการใช้ชีวิตนะ อย่ารู้จักอิก่มอย่าเยีกเต็มอะไรศึกษาไปเรื่อยๆอะไรที่ไม่ดีบรงอยดูแบบอย่าดูทำมันวินัยบ้างการใช้วิประจมันทำยังไงพุทธเจ้าทำงางในวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงพระองค์ทำยังไงบ้างเหมือนเราไหมหพยายามทอพายตัวเองสามเดือนจะ ต, ต้องอยู่ด้วยกัน สมานจำคีการดูแอกั น, ยกนอย่าทอดอาเทิ่งกันพึ่งพาใส่กระไดอบอุ่นท่านที่มาอยู่ที่นี่ก็อย่าว่าเว่ยไกลพ่อใกลแม่ไกลพี่ไกลน้องอย่าประชิดแบบนั้นนี้แหละพี่น้องกันอย่างยิ่งนะอย่าไม่ทอดมาทิ่งกันต่อการไม่เบื่อหน่ายกันยังไงก็เทิ่งกันม่ได้เป็นอัจเป็นกัญญาณมิตรมันทบ องชอนถ้าเป็นกันเลยานไม่กัจริงๆสู่มรสูผลได้อุ่นใจสุขใจนะเราเจึงต้องมาเป็ น, อ, นอันเดียวกันทำวไว้ไหนเป็นเช่นได้ร้อยชีวิตของเราให้เป็นอันเดียวกันลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิจใจใจคอมาอยู่ด้วยกันแล้ว ทำไม่ได้เหมือนเช่นลายร้อยดอกไว้ต่างสีต่างกลิ่นต่างลักษณะเมื่อเข้าสู่เช่นลายเป็นพวงมาลัยงดงามมีค่าขึ้นมาไม่ทำไม่ได้เรานะ shorts, white, อยากไปใิ่ป่าเราตระกูลหน่อนฉอดนั่นเรื่องนี้ไม่ ค, คิดแบบนั้น <S <S 1> <S 1> เป็นอันเดียวกันหมดหยิ่งแล้วมีสติเป็นอันเดียวกันเลย เป็นหญิงเป็นชายเป็นภาพเป็นโยมคนเท่าคนเจ้าถ้ามีสติอิ่งเป็นคนคนเดียวกันทุกคนมีสติบางคนลาความชั่วทุกคนมีสติก็ทําความดีทุกคนมีสติกิตกับบริสุทธิ์แล้วอวนะ๋อเนาะทำไปเลยเนาะสมควรเจ้าเวลากับพระพร้อมกัน